เพราะอะไรให้พากันเข้าใจเพราะกิเลสตัวเดียวนี่เลยไม่ใช่อย่างอื่นใดท่านผู้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านจะอยู่ด้วยกันเป็นพันเป็นหมื่นก็ไม่มีความวุ่นวายอะไรเลย ท่านก็อยู่กันได้แบบไม่ต้องไม่ต้องมีใครควบคุมน ะ, มนะะนั่นไเหตุนั้นความสิ้นกิเลสเนี่ยซึงชือว่าเป็นคุณอันประเสริฐเป็นที่ปรารถนาของนักปรารทั้งหลายมีพระพุท ธ, เ, ธเจ้าเป็นต้นพวกเราก็ให้พากันคิดอย่างนี้ ไม่ว่านักบวชไม่ว่าเครืหัดต้องพิจารณาเห็นโทษของกิเลสองสมเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมล้วนแต่มีความมุ่งหวังให้ผู้ฟังนั้นเห็นโทษของกิเลสตัณหาอันมันรบ ก, กวนกจิตใจเป็นทุกเดือดร้อนอยู่ในท้งนั้นเลยนะอืม คนเราทใไมเห็นโทษสิ่งใดก่อนแล้วมันละสิ่งนั้นไม่ได้เลยต่อเมื่อมันเห็นโทษว่าสิ่งนั้นแหละมันมีโทษเขยึดยถือเอาไว้มันก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะเหมือนอย่างว่าไฟอย่างนี้นะคนรู้แล้วาเป็นขอร้อนถ้าไปขื้จับลงไปมันก็ไหม้มื อ, อยจริง ก็เจ็บก็แสบเข้าไว้อืปก็ต้องวางถ้าหลงไปจับก็ดีรู้สึกว่ามันไหม้มือร้อนก็รีบวางทันทีเลยเนี่ยแต่ถ้าจับแล้วมันไม่ร้อนมันก็ไม่วางเลยมไม่วางอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยอันกิเลสอยู่ในใจของแต่ละคนนี่นะถ้าใครไม่เห็นโทกของกิเลสชนิดใดมันก็ยึดถือกิเลสชนิดนั้นไว้อืม ถ้ามันเห็นโทษกิเลสอย่างใดแล้วมันก็ละกิเลสอย่างนั้นได้ถ้าละไม่ขาดก็เรียว่าทําให้เบาวางลงไปได้นี่เป็นอย่างนี้กิเลสมันก็เป็นเชื้อสายของบาปนั่นเองเมื่อคนสะสมไป ม, มากๆก็ไว้าามันก็เป็นเหตุให้ไปทําบาปนั่นเองเนะแต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้น เล็กๆน่อยน้อยนี่มันไม่ถึงก็ว่าทาบาปได้มันก็เริ่มก่อตัว ก, กันไปถ้ามันรวมกำลังกันเข้ามากเข้าไปแล้ววันนี้มันสนับสนุนจิตใจนี่ไม่ให้กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยไม่ให้กลัวแม้แต่คุกตารางในปัจจุบันมันก็ไม่กลัวเมื่อกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจหนาแน่นเข้าไปแล้ว เหตุฉะนั้นมันจึงทาชั่วได้คนเรานะ่ะมันจึงเบียดเบียนกันได้ก็ได้ยินอยู่บ่อยๆอยู่นี่เมื่อมันโมโหโท่โศจัดขึ้นมาแล้วอ่ะกูจะฆ่ามันแตพ่พดทธภูมิไปนี่แหละมันจะไปติดคุกกี่ปีกี่เดือนก็สร้างมันนะหรือมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็แล้วแต่เรื่องมันอืม ไอ้ที่มันกล่าวออกมาอย่างนั้นนะแสดงว่ามันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทัดเต็มร้อยเอร์เซ็นต์ยอมให้กิเลสมันนำไปสู่ทุกขทุกประการไปเลยนี่ทีนี้ผู้ที่ทปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วอย่างนี้นก็ไม่สมควรที่จะไป รลอยจิตของตนให้เกิดความคิดความเห็นไปอย่างนั้นนะโลกอันนี้มันมีดีกับชั่วเป็นคู่กันนะผู้มีปัญญามันก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ชั่วออกไปจากกายวาจาใจของตนสิ่งใดดีก็สะสมให้มันจเจริญ ง, งอกงามขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นหมายถึงคนฉลาด คนมีปัญญาทันก็เป็นอย่างนั้นคนขาดปัญญาแล้วมันขาดเหตุขาดผลเหตุผลในเรื่องดีเรื่องชั่วนั้นไม่ปรากฏในใจมีปรากฏว่าจะอยากจะทํามันอย่างเรียวถ้าหาว่าผู้ใดเกิดความคิดชั่วขึ้นมาในใจแล้วอย่างที่มีสติยับยั้งใจ พิจารณาเหตุผลในความชั่วเหล่านั้นได้ก็ความชั่วเหล่านี้นมันมีเหตุผลอย่างไรเมื่อทำลงไปแล้วมาให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันดีหรือมันชั่วถ้าได้ตรีตรองพิจารณาลงไปไอ้ความจริงมันก็เี็ความจริงไม่พลถ้ามันชั่วจริงความชั่วมันก็ปรากฏขึ้นในใจด้วยปัญญาเนี่ย โอ้เป็นชั่วจริงเขินทาอย่างนี้ไปจะต้องได้ประสบความทุกข์แน่นอนเลยทีเดียวอย่างนี้นะนี่เรียกว่ามันมีเหตุผลบรรดาชาวพุทธทั้งหลายยออ่อมเคารพต่อเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมุทะลุดุ ด, ดันไปเลยไออย่างนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแล้วพุทธะแปลว่าพูดรูก้กูฉลาดนี่ เดี๋ยนี้โลกะสมมุติว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนนี่นะเป็นบุคคลผู้ฉลาดผู้ดำเนินตามล่องลอยของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่หลีกออกจากทางแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่คำว่าพุทธศาสนิกชนนะมันมันมีความหมายอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีกิเลสหนานแน่นในใจแล้วถึงแม้มันจะรู้ความหมายอย่างนั้นอยู่มันก็อดทนไม่ได้อดที่จะลุลุกอำนาจเก็กกิเลสตัณหาไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะมันประมาทเรื่องมันนะมันขาดการสารวมจิตใจ ปล่อยให้ใจหลงหินเลี้งหลงหินร้ายไปในอารมณ์ต่างๆให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลํำดับไปไม่กําหนดละมันปล่อยมันวางมันเมื่อมันรวมกําลังกันมากก็แล้วมันก็มีอิทธิพลบัณฑิตดนจิตใจนี่ให้พอใจในการกระทำความชั่วด้วยกายวาจาใจโดยไม่สะทกสะท้านเลยไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว มันจะตามให้ผลเป็นทุกข์นี่แหละความประมาทเป็นทางในความตายดังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วหมายความว่าคนนั้นตายจาก ค, คุณงามความดีตายจากความสุขความเจริญไปเกิดในความชั่วไปเกิดในที่ทุกข์ที่ยากที่ลําบากเพราะคำชั่วที่ตนสะสมไว้ในใจนั่นแหละมันนําไป ชาวพุทธทั้งหลายต้องมารู้จักเหตุแห่งทุกข์ที่ใจเราจะไปรู้ภายนอกนั้นไม่ได้ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งใจใ้ให้สงบลงไปไม่ไม่ไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันปรุงอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก่อนให้มันสงบนิ่งอยู่เหลือวนั้นจึงค่อยกำหนดพิจารณา คำสอนของพระเจ้าดังกล่าวมานั่นนะเรื่องบาปเรื่องบุญนี่นะอืมแล้วก็เห็นแจ้งเลยคันพอเราฝึกใจนให้มันสงบถ้าให้มันตั้งมั่นลงไปได้ในปัจจุบันนี้แล้วนะถึงแม้ว่าบุญบาปนั้นจะไม่มีรูปร่างสันฐานก็าตามแต่มันเป็นธรรมรมเกิดขึ้นในความรู้สึกนี่นะอืม ความรู้สึกอันนี้แหละมันเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญแห่งบาปเมื่อความรู้สึกอันนี้มันมีความโลภโกรธหลงครอบงำอยู่แล้วกิเลสอันนี้นะบรรดาได้เกิดความคิดเป็นอกุศลขึ้นมาคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่ยอมให้เอาใครแก่บุคคลทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ เราต้องพิจารณาให้มันเห็นเหตุแห่งบาปแห่งความทุกข์ดังกล่าวมานี้ให้ได้ถ้ามันเห็นแจ้งในใจนี่บาปก็เกิดจากใจนี่แหละบุญก็เกิดจากใจนี่แหละอย่างนี้นะเห็นแจ้งโดยปัญญาขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็มันก็ละบาปได้บาเพ็ญบุญกุศลให้เจริญก็งามขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้น ไอบาปกับบุญนะมันจะประสมประเสกันอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ได้อือยู่ไม่ได้หากว่าบาปมันมีกําลังเหนือกว่าบุญมันก็สแสดงบทบาทออกมาไม่ได้เลยอืก็มีถบานปมันสแสดงบทบาทออกมามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าบุญมันก็ไม่สูญหายไปหรอก แต่มันไม่มีอำนาจที่จะแสดงบทบาทออกมาทางกายทางวาจาธรรมดาคนมีบุญเป็นอารมณ์อยู่ในใจการทำอะไรการพูดอะไรกันล้วนแต่ดีงามเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันมันเป็นมาจากดวงจิตด้วยนะ เมื่อจิตเป็นบุญแล้วจิตอ่อนโยนจิตอ่อนน้อมนั่นแหละเมื่อจิตอ่อนโยนแล้วมันก็บังคับกายว่าจะให้อ่อนโยนไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะขอให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปสงสัยลังเลอย่างอื่นว่าบุญบาปอยู่ที่ไหนหนอย่างนี้อย่าอย่าไปสงสัยเลย ฝึกจิตที่เข้าไปผู้ใดอยากรู้จักรู้แจ้งในบาปในบุญในคุณในโทษได้จริงๆเนี่ยอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเพียงแต่เรียนรู้จําได้ตามตาําราเฉยๆอย่างนี้จะให้หายสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนี้ไม่มีทางมันเด็นอย่างนั้นพก็เมื่อเรียนรู้จำํำศีลธรรมคําสอนอระพุทธเจ้าได้ แต่ว่าไม่น้องเข้าไปสู่จิตใจอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่กลัววันนี้นะสินธรรมไม่ได้เข้าสู่จิตใจกิเลสมันก็ดนจิตตนใจให้คิดไปทางไม่ดีอยู่นั้นล่ำไปมันเป็นอย่างนั้นเหตุตั้งนั้นนี่ว่าเพียงแต่เรียนจำได้เฉยๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะละชั่วทําดีได้นะคนเรานะเออถ้าถ้าจะละได้ก็ละได้ชั่วเท้าไอชั่วนะ ทำดีก็ทําไปได้ชั่วครั้งอชั่วเวลาที่กิเลสมันสงบไปก็ทําดีได้อยู่ว่งถ้าคราวใดกิเลสมันคึกกนะนองขึ้นมาแล้วก็เอาเลยทําดีไม่ได้แนละ้วก็ทําชั่วนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉันผูดด้ใด้ภาวนารักษาจิตใจดวงนี้ให้สม่มเสมอไปคอยควบคุมอยู่เสมอไม่ให้มันหลงยินดียินร้าย ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งส่วนดีและส่วนชั่วที่กระทบกระทั่งมาในตาเป็นต้นอยู่อย่างนี้เสมอไปแล้วไอ้บาปอากุศลต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจบาปอากุศลมันจะเกิดได้ก็มันมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะความไม่สำรวมใจปล่อยให้ยินดีเกินขอบเขต ปอให้จิตอินร้ายเกินขอบเขตจนกลายเป็นความโกรธความพยาบาทไปอย่างนี้นะนี่มันมันเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธออันเป็นฝ่ายอกุสนเะลมันมีมูลเหตุมาอย่างนั้นถ้าผู้ใดสัมรวมจิตใจของตนอยู่เสมอในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมจิต กำหนดพิจารณาจิตใจตัวเองได้ว่าในขณะนี้ใจของตนเป็นปกติอยู่ไม่คิดอิจฉาหรยาเบียดเบียนใครไม่คิดอยากได้อะไรในทางที่มันเป็นบาปเป็นโทษรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วย บุญด้วยกุศลอยู่ด้วยสติปัญญาแล้วก็มารู้กายเข้าไปอีกก็เห็นกายนี่เป็นของแตกของดับเป็นของแปรผันวันไหวไปมาอยู่อย่างนั้นไม่มีอันร่างกายนี่มันจะเที่ยงยั่งยืนอยู่แต่ถ้าผู้ไดมีผู้ไม่ได้พิจารณาอยู่เสมอแล้ว บางทีมันก็เกิดความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันเที่ยงมันยังยืนไปได้เหมือนกันนะอะไรสงคารว่าตนแข็งแรงสงคารว่าตนจะไม่ตายง่ายออย่างนี้แหละแต่ถ้ากำหนดใจพิจารณาเสมอเสมอแล้วแน่นอนจิตี่ย่อมเห็นว่าร่างกายนี่มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเลย เวลาได้อันที่มันจะไม่แปรปวนไม่มีอา้าวมันแปรปวนได้ยังไงอ๋อก็สังเกตดูอิริยาบทนี่สินั่งนานก็มไม่ไหวนี่ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนอนหนึ่งก็พิกทั้งซ้ายแล้วก็พิกมาทั้งขวาอยู่อย่างนั้นแล้วจะว่ า, างไงวะนี้นะ เพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนั้นมันยักย้ายมันผันแปรอยู่อย่างนั้นอาการที่พลิกไปพลิกมาอยู่นั้นนะ่ะเรียกว่าทุกขลขักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายและจิตใจเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าใจมีพัญญารู้เท่าร่างกายนี่ตามเป็นจริงอยู่ไม่ยินดีนยินร้ายแต่ว่าการเปลี่ยนอริยบทนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ารู้เท่าอย่างนั้นใจมันก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเปลี่ยนเฉยๆพลิกข้างซ้ายพลิกข้างขวามันก็เป็นกิริยาอาการของร่างกายเท่านั้นเองแต่จิตใจไม่เดือดร้อน ถ้ารู้เท่านะอมันเป็นอย่างงั้นถ้าไม่รู้เท่าแล้วก็เดือดร้อน น, นั่งนานก็ไม่ไหวแต่ทีนี้ถ้าว่าข่าวได้ถูกตัญหามันมีอิทธิพลครอบงำจิตใจเข้าไว้มันอยากได้สิ่งนั้นนี่มันไปขวนขวายไปทําได้สิ่งนั้นนี่ ลืมเน็ดเอยเมื่อยล้าไปอ่าลืมเจ็บลืมปวดไปเพราะความอยากมันรุนแรงมากแม้จะเจ็บปวดมันก็อดทนได้ตัณหามันสนับสนุนให้อยากได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนที่นี่ผู้ที่มาประกอบทางจิตใจคือจิตใจนี่ ถ้าไม่มองเห็นผลแห่งการฝึกอันนี้โดยแท้จริงเช่นนี้แล้วย่อมเห็นว่ามันเป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรจึงไม่อยากทำเช่นนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะนั่งนานไปหน่อยนก็ไม่ไหวกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยกลัวร่างกายนี้มันจะวิบัติอะไรต่ออะไรไป เลวหยุดเสียทั้งที่สามารถที่จะนั่งไปได้อยู่ไม่โดยที่จะไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเมื่อใจมันอ่อนแอขึ้นท้อแท้ขึ้น า, างนั้นแล้วเจ็บกวดน้อยหนึ่งมันก็เป็นมากที่นี้นะมันเป็นอย่างนั้นเองหมูนี่ก็ลองสังเกตดูที่ตัวใครตัวเราการทำความเพียรทางจิตใจนี่ต่างคนต่างรู้เรื่องของตัวเองได้ดีนี้นี่เนี่ย มันเป็นอย่างนั้นเว้นเสียแต่รูปใครใครเจ็บมันเบียดเบียนร่างกายอันนั้นถ้ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่งไปได้ก็อ น, นอนภาวนานอนพิจารณามันนอนรู้เท่าทุกขเวทนาไม่ใช่ว่านอนลงแล้วก็ใจก็วันไหวฟุ้งซ่านไปนั่งอยู่จิตใจจึงตั้งมั่นจึงรู้เท่าทุกได ท่านพอนอนลงแล้วจิตใจก็วอนไว้รู้ไม่รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงได้อย่างนี้ก็เชื่อว่าภาวนาไม่เป็นเี่ยแบบนั้นนะนั้นถ้าผู้ภาวนาเป็น้ารู้ว่าทุกข์เป็นของมีจริงในเมื่อขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์นี่ก็มีอยู่ตราบนั้นแต่ทีนี้เหตุปัจจัยของขันห้ายังไม่หมด ขันห้านี่เขา ย, ยังไม่แตกลับก่อนจิตนี่ก็ต้องได้อาศัยขันห้านี่อยู่ไปจะไปทำลายขันห้านี่โดยที่มันยังไม่ทันหมดหมุนหมดกรรมหมดเหตุปัจจัยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมมนอีกทีทัทนเลยว่าฆ่าตัวเองตายมันมันมีเหตุมีผลอย่างนี้เรื่องมันเป็น เราต้องฝึ ก, กจิตใจนี้ให้อดไทยกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆฝึกใจใ้ให้รู้เท่าทุกขเวทนา น, น, นั้นที่มันเกิดขึ้นในกายเกิดขึ้นในจิตสำหรับผู้ที่ละกิเลสยังไม่หมดบางทีเผลอๆตัวกิเลสมันก็พุ่งขึ้นมาครอบงำจิตใจใจก็เร่าร้อนอุ้นวาย ทีนี้ถ้าผู้นั้นไม่อดไม่ทนไปส่งเสริมกิเลสอะไรกิเลสมันยิ่งหนาแน่นขึ้นไปเท่านั้นมันยังมีอิทธิพลครอบงามจิตใจให้โอนเอเท่าแท้กันที่จะประกอบความเพียรทําความดีต่างๆไม่ได้เลยวันนี้เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้อดให้ทนนั่นเลยเพราะว่า ตนยังละกิเลสไม่หมดแล้วจะมาให้กิเลสมันเกิดขึ้นมาในใจจะได้ยังไงอ่ะอคราวใดใจนึกถึงบุญกุศลอยู่ใจเป็นบุญกุศลอยู่คราวนั้นบาปหรือว่ากิเลสมันก็เกิดขึ้นยังไม่ได้เพราะอนุภาพแห่งบุญแห่งคุณนั่นแหละช่ ว, วยสกัดกัน้นไม่ให้กิเลสบาปธรรมเกิดขึ้นในขณะนั้น แต่ถ้าหากว่าสามารถรักษาบุญคุณไว้ในจิตใจได้ ต, ดติดต่อต่อกันไปเรื่อยไปได้อย่างนี้เอากิเลสมันก็ไม่เกิดจริงๆนะมันก็มันก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้อย่างจริงเนี่ยแต่เหตุที่กิเลสมันจะเกิดขึ้นมันก็เพราะเกิดความประมาทขาดการสํารวมระวังรักษาบุญคุณอันประเสริฐ ท, ที่เราได้กระทําบําเพ็ญมา แล้วก็ไปละเลยเสียล่อยจิตให้คิดสายไปทางอื่นไปหาเรื่องอื่นนู่นมากกว่าที่จะมาลำพึงถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้สร้างให้เกิดมีขึ้นในใจิตใจเมื่อเป็นเช่นนี้บุญกุศลคุณวรรตนารกลนี่มันก็จึงตั้งมั่นอยู่ในจิตใจไม่ได้ เพทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยพูดแล้วว่ามีใจเป็นใหญ่เป็นประธานมันสําเร็จแล้วด้วยใจอบุญก็ดีบาปก็ดีใจสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยไม่ไม่ใช่ใครเอาหยิบยกออกมาให้นะไม่ใช่ลองพิจนารณาดูให้ละเอียดสีท่วนลงไปสิ น, นั่นเนี่ยพูดใหรู้อย่างนี้แล้วมันก็เกลียดบาป ไม่ต้องการบาปมันก็ไม่สร้างบาปตั้งขึ้นมาไม่คิดโลกไม่คิดโกรธไม่คิดหลงมัวเมามีสติประคองจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่เมื่อมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่และผู้อื่นควรจะคิดก็เอาเอ า, เอาคิดนึกคือกองไปให้รู้เรื่องการงานนั้นที่จะต้องทำให้เกิดเป็นประโยชน์ต่และผู้อื่น เมื่อรู้เรื่องนั้นโดยแจมแจ้งแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สำรวมจิตไว้ตามเดิมวันนี้ก็ลงมือทำงานไปตามหน้าที่ที่พิจารณาเห็นแล้วนั้นออะอย่างนี้นะผู้ฉลาดทั้งหลายเนยะท่านย่อมรู้ว่าสิ่งใดที่ควรละรู้ว่าสิ่งใดที่ควรกระทำบอมเพนได้เกิดมีอย่างนี้นะท่านก็ทำ รู้ว่าสิ่งดีที่คนรละกฎแล้วก็กำหนดละเอาไปจนว่ามันดับไปจากจิตใจนนท์ไม่ถอยเพราะเอาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอะไรอะไรมันก็มีใจเป็นใหญ่เกิดจากใจนี้ทั้งนั้นเมื่อใจไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันจะเกิดได้ยังไองอ่ะนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีสติกากับจิตนี่ิวอย่าให้มัน คิดทางบาปอากุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะเมื่อบาปบาบาปอกุศลมันก็ไม่เกิดจริงๆอ่ะเมื่อเราสำรวมจิตนั่นได้นิรัยเพิ่งพากันเข้าใจการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคนธรรมวิเศษได้นั้นก็ต้องเริ่มต้นไปแต่นี้นหะก่อนถ้าถ้าเราไม่รู้จากลักษณะอาการของกิเลสบาพธรรม ก็ละมันไม่ได้เลยเมื่อละกิเลสไม่ได้แล้วมันจิตใกล้ต่อมักผลได้ยังไงอางถ้าเมื่อละกิเลสตันหายบาบางไปเท่าไรจิตนี่มันก็ขยับใกล้ต่อพาณิพานเข้าไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเลื่องมันนะไม่ไม่ต้องได้ปรุงแต่งอะไรให้ยากขอให้ละกิเลสอนใดที่มันยังละไม่ได้ที่เผลอๆแล้วมันโผล่ขึ้นมาในใจ รู้แล้วว่าอันนี้คือกิเลสเราจะต้องละมันถ้าไม่ละแล้วมันจะก่ อ, อเขตห้เกิดทุกข์ต่อไปอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ละกำหนดเพียรละมันไปใจไม่ชอบกับกิเลสแล้วกิเลสมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อละกีิเลสให้ระงับดับไปแล้วไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลนั้นไม่ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานอะไรหรอกอ ม, มันจ้ปรากฏขึ้นในใจพระพุทธเจ้ายัางตรัสไว้ในพระธรรมคุณว่าสวาขาโตพระคัมภธรรมโมพระธรรมที่พระมูวิภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอ น, นี่แสดงว่าผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ะ ไม่รู้เองเห็นเองขึ้นในใจตัวเองเลยเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่เช่นทุกข์อย่างนี้นะอามันก็มีอยู่สองประการนะพูดสั้นๆนะทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งนี่แต่ถ้าหากว่าไม่เพ่งดูใจเราจะไปเห็นทุกข์ใจได้อย่างไรอะ่ะไม่เพ่งดูร่างกายจะเห็นทุกข์ทางกายได้อย่างไรอะ่ะหนึ่งนี้แหละ ดังนั้นจึงว่าทุกข์ขะอริยสัต์นี่ก็จิตนี่แ่ะเป็นผู้กำหนดรู้ว่อโอถ้าจิตนี่สะสมราคะโทสะโมหะขึ้นมาจิตก็เป็นทุกข์แน่นอนอย่างนี้นะมันรู้ว่ารู้เหตุใช่เกิดทุกข์ อ, อย่างงั้นถ้าหากว่าจิตนี่ละราคะโทสะโมหะให้เบาๆาลงไปเท่าไหร่ ทุกทางจิตใจนี่มันก็ดับไปเท่านั้นนี่นะ พ, พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จึงได้ภาคเพวียพยายามละกิเลสเหล่า น, นี้ให้เบาออกไปเพราะอยากอยากคนทุกข์สำหรับผู้ที่เห็นทุกทางจิตใจนั่นนะว่ามันมีรสชาติอย่างไรของทุกทางใจนี่ก็รู้นี้ออรสชาติขางทุกทางใจเนี่ยมันเผ็ดมันร้อนมันเรียกว่าเป็น นั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขเดินยืนก็ไม่เป็นสุขเลยนี่ฤทธเดชแห่งความทุกข์ทางใจเมื่อพูกเพ่งลงในปัจจุบันนี่เห็นทุกข์อย่างว่านั้นแล้วมันก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายในทุกข์ขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ามันก็ย่งมคลายความยินดียินร้ายในขันทั้งห้านั้น เพราะว่าขันทั้งห้านั้นแหละเป็นก้อนทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนี่เมื่อจิตใจไปคลายความยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปแล้ววันนี้มันก็คลายทุกข์ออกจากใจในวันนี้เมื่อขันห้าไม่เที่ยงมันก็เรื่องขันห้าต่างหากมันแปรปวนมันไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในนั้นเลยอขันห้ามันแปรปวนไปต่างหากอย่างนี้นะ ไม่ใช่เราแปลพวนจิตก็ตั้งมัน่นกับกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงอยู่นั่นนั่นแหละจึงได้ชือว่าเป็นผู้ที่รู้จักทุกแล้วก็รู้เท่าทุกตามเป็นจริงด้วยปัญญาบารมีอย่างนี้บุคคลผู้ที่จะเอาตัวรอดจากทุกจากโทษต่างๆได้นั้นต้องอาศัยปัญญา คนไม่มีปัญญานั้นเอาตัวรอดจากบาปจากทุกโทษไม่ได้มีแต่ยึดถือเอาไว้<ม>เหตุนั้นนะ่ทึงได้บอกอุบายให้คนอยู่ม้อยบ่อยอยู่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่มันต้องได้ทำบาปไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะ ความทุกข์ของจิตใจก็จึงชื่อว่าไม่มีแต่ทุกข์ทางกายในทุกขันหานี่นะถึงจะรู้เท่าอย่างไรอย่างไรมันก็เป็นอยู่งั้นเลยเพราะมันไม่เที่ยงมันทนได้ยากลำบากมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเพราะฉะนั้นจิตนี่จึงว่าเป็นจิตที่ฝึกได้แต่ร่างกายนี้เราจะไปฝึกให้มันมั่นคงถาวรให้มันอยู่ยั่งยืนนาน ต่อไปชั่วการลนานมันฝึกไม่ได้เลยขอให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเละผู้รู้ทั้งหลายท่านยึงเพิเกจิตใจในี้เข้าไปในส่วนร่างกายนั่นแล้วก็บำรุงรักษามันไปตามกำลังตามสมมาสมควรไม่ให้ฟุ่มเฟอือยเกินไปไม่หรูหราเกินไปไม่ไม่ ไม่ให้ห่วงไมห่ห่วงไม่ให้ตันนีเหนียวแน่นเกินไปให้พอดีพอดีการบำรุงร่างกายอันนี้นยะตามธรรมชาติของมันพออยู่ได้อพอปฏิบัติสินธรรมไม่เกิดมีขึ้นได้ผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้ว ม, มันถ้าเกิดความฉลาดขึ้นมา มันจะรู้จักปรับปรุงกายรู้จักปรับปรุงวาจารู้จักปรับปุงใจของตนให้เป็นไปตามกฎธรรมดานี่กฎธรรมดาของร่างกายมันก็แปลผนไปเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้ น, นกฎธรรมดาของวาจาก็ต้องเกะพูดออกมาแล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารคำพูดทั้งหลายพูดออกมาแล้วก็ดับไปมีแต่อยู่ในความทรงจำของผู้ฟังเท่านั้นแหละแต่เสียงทั้งตางนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยูนน่นั้นนะี่นะเราต้องเพ่งพิจารณาลักษณะอาการของกายของวาจาเหล่านี้ให้มันเห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่เสมอเสมอไปแหละ เราทีทาพืนำพิจารณาเห็นครั้งเดียวแล้วแล่แลออกไปเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้กิเลสมันมันยังละไม่หมดเมื่อกิเลสละไม่หมดการพิจารณาขันห้ามันก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อจิตเห็นแจ้งขันห้ า, ามทำไปจริงเบือ่อหนายแล้วก็คลายกิเลสออกไปเรื่อยๆคลายความรักคลายความชังคลายความรักในขันห้านี้ออกไป ลายความเกลียดชังในขันห้านี้ออกไปรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังอย่างนั้นแ่ะมันถึงจะพ้นจากขันห้านี้ไปได้แต่ถ้าใครรักขันหน้านี้ออกไปแล้วมันยังเกลียดชังขันห้านี้อยู่อย่างนี้มันก็ยังพ้นขันห้าไปไม่ได้อีกอย่างคนบางคนฆ่าตัวตายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่ามันมันไม่รักขันห้านะวันนี้มัน เกลียดชั้งขันห้าเลยไม่อยากอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันนานตายหลายก็เลยเอาทำอัดตราบิบิบัตกรรมตัวเองซะให้มันตายลงไปเร็วๆตามความสมองบาปกรรมอันนั้นนั่นก็ตามสนองอีกแล้ววนั น, นี้แทนที่ว่ามันจะหมดทุกไม่มีทางการฆ่าตัวเองมันก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นนั่นเอง มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรสืบเรื่องไปไม่ขาดสายนี่ให้พากันเข้าใจเหตุผลเรื่องของชีวิตมันเป็นอย่างนี้เลยดังนั้นในการที่เราจะดับทุกทางใจได้นั้นกลบข้หมาเพียนพิจารณาละความยินดีความยินร้าย ละความรักความชังในขันห้านี่ให้มันลงให้ได้ไอเรื่องขันห้าคนอื่นนั่นน่ะสัตว์อื่นนั่นน่ะไม่ต้องไปคำนึงถึงหรอกขั้นพอปล่อยวางขันห้าอันที่ตนอาศัยอยู่นี้ได้แล้วไม่รักไม่ชังในขันห้าอันนี้แล้วมันก็ไม่รักไม่ชังขันอื่นเหมือนกันเลยไม่มีปัญหาเลย มันหามันอยู่ที่ขันห้าที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่นะเนี้ยอยู่ตรงนี้เองอนะให้พากันพิจารณาดูให้ดีถ้ามันเห็นแจ้งโดยปัญญาว่าขันห้าที่ตนอาศัยยูนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของตนจริงจังมันก็มองเห็นขันอื่นว่าไม่ใช่ของเขาอีกเหมือนกันเลยเพราะมันมีสภาวะเหมือนกันนี่อย่างนี้ เนี่ยอย่าง น, นเพราะฉะนั้นจึงอยาอย่าอยจะไปเพ่งเลงถึงผู้อื่นเลยให้เพ่งดูไอ้ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไปเพ่งถึงคนอื่นเข้ามันจะมีมันจะได้รับผลสองอย่างถ้าไม่รักก็ชังอย่างนี้แหละแต่ถ้าถ้าเรา มองกันด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่ได้รับผลสองอย่างนั้นมันก็ได้รับผลว่ารูปนามทั้งหลายนั้นเป็นเดชสภาวธธธิทัศนสภาวธรรมอาศัยกันอยู่ที่นีน่นิสัตโตไม่ใช่สัตติชีโอมิ่ใช่ชีวิตศูนย์โยเป็นของว่างเปล่าเปล่าจากสัตว์เปล่าจากบุคคลตัวตนเราเขา คันเมื่อเรามองด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นลงไปอย่างนั้นหละอเมื่อมันเห็นลงไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงวันนี่อา้าวจิตใจมันก็ตรงเป็นอุเบกขาลงได้เลยอมันก็วางเฉยลงได้จะเป็นรูปหยาบ ก, ก็ตามรูปละเอียดประณีตบรรจงอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อปัญญามันทะลวงออกไปแยกแยะออกไปดูแล้ว มันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยนี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเหมือนกัน น, ะนี่ความจริงของรูปของนามอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าบุคคลไม่ไม่ใช้ปัญญาพิจารณาสอนใจตัวเองนี่เข้าไ ป, ไปบ่อยๆแล้วเพียงแต่เห็นมันเกิดมันดับอยู่ภายนอกนุ่นนะแต่ไม่ได้มาสอนใจตัวเองให เบื่อให้หนายให้ปรงให้วางอย่างนี้นะใจมันก็จะไม่ยอมปรงไม่ยอมวางอันนี้แหละคนทั้งหลายผู้ได้ฟังคาสอนมุติเจ้าแล้วซึ่งจะไม่รู้ว่าขันห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนอ น, นาตาาไม่มีต่างคนดังก็รู้ท้งนั้นเลยแต่ถ้าว่ารู้ตามสัญญาเฉยรู้ตามตัวหนังสือเฉยมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายมันก็ไม่ขายความยึดถือได อย่างนี้เนี่ยตอนเมื่อได้โน้มสติอย่างเข้าไปหาจิตนั่นควบคุมจิตนั่นควบคุมความรู้สึกอ น, นั้นให้ตั้งอยู่ภายในด้วยดีไม่ให้มันคิดทุ่งสั้นไปทางอื่นอย่างงี้นะสติควบคุมความรู้สึกอ น, นั้นให้รู้อยู่ธรรมดา หายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าความรู้เป็นปกติอยู่อย่างนี้นะเออถ้าฝึกเข้าไปอย่างนี้ต้องมากเข้าไปแล้วแล้วใช้ความรู้นั้นนะพิจารณาสิ่ ง, งต่างๆที่มันมากระทบตาเป็นต้นอย่างที่ว่ามาแล้วนันมันก็รู้ชัดตามเป็นจริง แล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยความยินดียินร้ายอะไรเลยวันนี้รู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นรูปนี้เป็นธรรมดาอย่างนั้นเสียงนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้เห็นเป็นเป็นธรรมดาไปหมดเลยวันนี้ไม่ไม่เห็นแตกตาก่างไม่เห็นว่ารูปนี้สวยงามรูปน er ี้ขี้ร้ายเสียงนี้ไพเราะเสียงนี้น่าเกลียดอย่างนี้นะมันไม่เห็นอย่างนั้นแลยวันนี้ มันเห็นมันไม่เห็นเป็นสภ า, า, าวธรรมไปมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรพวนแตกดับไปเท่านั้นเองเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อพากันได้สดับตรับฟังแล้วก็เพึ่งพากันกำหนดพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างว่านี่แล้วก็วางลงไปให้ใจมันสงบให้ใจมัน นิ่งอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาปัญญามันต้งมีอยู่ในนั้นแหละเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่แลวนะมันมีแบบ น, นี้นะเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันต่างๆลงไปหมดแล้วอบบ น, นี้ปัญญามันก็มีอยู่ในนั้นเลยบบบ น, นี้พอมีอะไรมาถึงเขานี่มันก็กําหนดรู้ได้เลย สิ่งใดที่มากระทบเข้าก็ได้ชื่อว่าสังขารดังนั้นเลยสังขารต่างหลายยมมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่ไม่เกิดก็ไม่มีดับโลกสันิวัตตอันนี้มันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้ไม่มีเกิดมีดับแต่พันิพาณอย่างเดียว ดังนั้นจึงทำใจของตน่ะไม่ให้มันเกิดมันดับให้ใจมันนิ่งให้ใจมันตั้งมั่นลงไปอย่างนี้ชื่อว่าเรากำลังดำเนินเข้าสู่พระนิพพานดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้